บัดนี้จะแก้ในบทสัมมาสตินั้นต่อไปสัมมาสตินั้นได้แก่สติที่ประกอบด้วยอารมณ์สีประการคือตั้งสติเอาเซรีรากายเป็นอารมณ์แล ะ, จะเจริญสมถาวิปัสสนานนหนึ่งคือตั้งสติเอาเวทนาเป็นอารมณ์แล ะ, จะเจริญสมถาวิปัสสนานนหนึ่งคือตั้งสติเอาจิตนั้นเป็นอารมณ์ เจริญพระสมถาวิปัสสนาหนึ่งคือตั้งสติเอาธรรมเป็นอารมณ์คือสัญญาขันสังขารขันเป็นอารมณ์และเจริญสมถะและวิปัสสนาหนึ่งสตินั้นอันมีอารมณ์สี่ประการดังนี้มีลักษณะสองประการคืออปิลาปณะลักษณะสติหนึ่งอุปริหานะลักษณะสติหนึ่ง อภิลาปนา ล, นาลักษณะสตินั้นอย่างพระโยคาวจรกุลบุตรให้รู้ผูกกุศลธรรมทั้งปวงไ ว, ว้เช้าค่ำมีให้ลืมกุศลธรรมทั้งหลายนั้นอุปมาดุดพันดาคาริกรัตนคุณคลังแก้วแห่งสมเด็จบรมจกักรพตราราธทิราชอันถวายบัญชีเช้าค่ำเป็นนินิรันว่าข้าแต่สมเด็จบรมมบพิษช้างแห่งพระองค์เจ้ามีเท่านี้ มาแล้วรถผลนิกายแห่งพระองค์เจ้ามีเท่านี้อิรันสุวรรณรัตนะแห่งพระองค์เจ้ามีเท่านี้พระราชทรัพย์ทั้งปวงอันเป็นของอุปโภคบริโภคของพระองค์เจ้ามีเท่านี้พระองค์เจ้าจงทรงพระอนุสรณ์ระลึกพระราชทรัพย์ทั้งปวงอันเป็นของพระองค์นี้เถิดอันนี้แลมีอุปมาชั้นใดอภิลาปนาลักษณะสตินั้นก็ยังพระโยคาวจร ให้ระลึกถึงซึ่งคุ ณ, คณกุศลธรรมทั้งหลายดังนี้ว่าอิเมจัตตาโรสติปัฏฐานาทำทั้งหลายสี่ประการนี้ชื่อสติปทานอิเมจัตตาโรสมะปัฏานาทำทั้งหลายสี่ประการนี้ชื่อสมะปทานอิเมจัตตาโรอิทิปาธาทำทั้งหลายสี่ประการนี้ชื่ออิทธิบาตทำทั้งหลายห้าประการนี้ ชื่ออินทรีย์ทำทั้งหลายห้าประการนี้ชื่อพละทำทั้งหลายเจ็ดประการนี้ชื่อพโพชงทำทั้งหลายหมู่นี้ชื่ออริยมรตมีองค์8ดทำทั้งหลายหมู่นี้ชื่อสมถะชื่อวิปัสนาชื่อสัจจะชื่อวีมุตชื่อโล ก, กุตระอภิลาปณะลักษณะสตินี้มีอุปมัยดังพันดาคาริกรตนะนั้น อุปริคหานลักษณะสตินั้นมีอุปไมยดุดปรินายกรัตนคุณพลแก้วแห่งสมเด็จบรมมจกพัติราชอันพิจารณาซึ่งฝูงชนทั้งปวงและรู้ว่าชนทั้งหลายหมู่ใดอันมิได้กระทําให้เป็นประโยชน์แก่สมเด็จบรมมจกพัติราชก็ยังชนทั้งหลายหมู่นั้นให้ออกไปไกลาจากสมเด็จบรมมจกพัติราช ชนทั้งหลายหมู่ใดกระทําให้เป็นประโยชน์แก่สมเด็จบรมมาจากะพัทติราชก็ยังชนทั้งหลายหมู่นั้นให้เข้ามาใกล้สมเด็จบรมมาจากะพัทติราชนั้นและมีอุปมาชั้นใดอุปริคหานลักษณะสตินั้นก็แสวงหาสติแห่งธรรมทั้งหลายดังนี้ว่าธรรมทั้งหลายมีกายทุจริตเป็นต้นอันหาประโยชน์ไม่ได้ก็บันเทาเสียธรรมทั้งหลายมีกายเป็นอาทิ เป็นประโยชน์แล้วและถือเอาก็มีอุปมายดุดปรินายกรัตนะแห่งสมเด็จพระรมจากพระติราชนั้นแก้ไขมาในบทสมาสติก็จบแต่เท่านี้